ฟังทากันนะฟังแล้วนำไปปฏิบัติจึงจะมีประโยชน์ปฏิบัติทาก็คือเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเป็นความ ไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องมันมีงานมีการอยู่ก็มีการมีจิตใจกก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถของโลกจิตใจก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถของโลก ถ้าปฏิบัติกับสิ่งเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นโทษกับกายกับใจกายใจก็ไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มค่ามันมีค่ากายของเราใจของเราเนี่ยมันมีวิธีปฏิบัติ ตัวกายตัวใจรีกว่าธรรมวิ น, นัยปฏิบัติธรรมธรรมวิ น, นัยแล้วก็เป็นสีพชิ้นทุกข์ท่องพวงคือมักคือผลจุดหมายปลายทางของกายของใจถ้าใช่ถูกต้อง เกอันนี้สงมีวุนกุศลมหาศาลยิ่งพวกเราบริพัวกีบวนมิถะบาทเฉนาสนาคกันาเปียจัดของคนทั้งหลายมีอันนี้สงทั้งสองฝ่าตทังผู้ให้ทั้งพว้รับ เรียกว่าเป็นเนื้อนาบนของโลกแล้วก็มีกายมีใจและมีสติเรือยขึ้นขึ้นมาเพื่อดูแลกลายใจอย่าให้กายมันเถื่อนอย้าย ใ, ใจมันเถื่อน้าไปมีม หลักไม่มีผู้ดูแลมันก็เถื่อนได้ตามันก็เป็นคู่ของลูกระ ว, วางสัมผัสเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนี้หูก็เป็นคู่กับเสียงสัมผัสแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนี้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสกีเจมันคิดเกิดอะไรขึ้นมา เคยดูเคยเห็นไหมได้สติปัญญาหรือได้ความงุ่ผมหลงก็ปัญญาก็เกิดที่ตาเห็นลูกแต่ได้ปัญหาเกิดก็เกิดที่ตาเห็นลูก ปัญหาปัญญาเกิดที่ตรงนี้ตลาดงูกเกิดที่ตรงนี้บาปมุนก็เกิดขึ้นตรงนี้ทำบาปเป็นกรรมขึ้นตรงนี้ชิ้นกรรมคือนตรงนี้จีนเวรชิ้นกรรมคือนตรงนี้ถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ไปไกล เหนพวกเป็นชาติเวียนว่ายตายเกิดหลงหลงก็หลงอยู่เรื่อยไปทุกข์ก็ทุกอยู่เรื่อยไปเราจึงมีวิธีปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่างชัดเจนแม่นยำเราวิชากรรมฐานนี่สำหรับงานของกายสำหรับงานของใจ เพื่สร้างภูมกุ้มกันเพื่อประกอบในสิงที่มีประโยชน์ทั้งที่เกิดขึ้นมาโดยพิชากรรมาฐานสู้เข็นเข้าเหยียดเข็นดอกรู้จุกตัวของรู้จุดตัวเกิดขึ้นที่เจต น, นา การกระทําการประกอบถ้าไม่ประกอบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้พ็มันเกิดขึ้นมาได้มันก็ไปทางอื่นซะมันมีกิจวิญญาณมันเลื่อนมันไหล สัมตติเกิดขึ้นทันทะเลไหลไปไอยไปสู่ความแก่ความเจ็คเบความตายวันคื้นก็ล่วงไปล่วงไปตีสีก็หมดไปแล้วมตีสี่ตีห้าไปแล้วหมวดไปแล้วเอาขึ้นไม่ได้ ทำอะไรอยู่เวลามีใหเราใช้เราถ้าเราไม่ใช้เวลาก็กลืนกินเราแล้วก็หมดไปเปล่าๆแต่เราใช้เวลาคือมีสติมีกรรมฐานแล้วก็กลืนกินเวลาได้ประโยชน์ ไม่มีใครเป็นใหญ่ได้ในกายในใจถ้าไม่ฝึกสิ่งที่มันเป็นใหญ่ไม่ได้ป้องกันไม่ได้มันก็มีอยู่แต่เรารู้ไม่จนนํานวนป็นความไม่เที่ยงเราไม่จํานนตัวความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์เราไม่จำน้นตัวความเป็นทุกข์เราลู้กำหนดลู่ตัวกรลู้ลู้แล้วนี่คือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นที่ลูปที่นามมีให้เห็นความเป็นทุกข์เกิดขึ้นที่รูปที่นามก็เห็นความไม่ใช่ตัวต น, เ, นกเกิดขึ้นที่รู่ที่นามก็เห็น ป้องกันไม่ได้ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากเก็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่เราได้ปัญญาเพราะเห็นสิ่งเหล่านี้ปัญหากลายเป็นปัญญาให้เห็นเกิดการเห็นแก้ง ก็ไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงอย่างไรเห็นแจ้งตรงนี้ก็เป็นทุกข์จะให้มาเป็นสุขได้อย่างไรเห็นแจ้งจริงๆทุกข์อย่างนี้ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะความเป็นทุกข์เป็นการลู่แจ้งเป็นการกระโดดลู่ในการลู่ลู่แล้วลู่จริงๆลู่จริงๆไม่หลวมตรงนี้จริงๆ จบไปแล้วปัญหาความเปทุกข์ปัญหาความไปเที่ยงจิตแต่ก่อนเป็นทุกข์จบไปแล้วเด็ดขาดไปแล้วก็ม่ใช่ตัวตนเด็ดขาดไปแล้วมีเต็ปัญญารู้รอบมีสติเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่อยู่ที่เก่ามันก็เลื่อนฐานะไป พาไปเอาไว้หลังจิงที่เห็นแล้วเอาไว้หลังผ่านไปแล้วมันอยู่ข้างหลังไม่ได้ขวงหน้าบริจูดก่อนไปไกอลจากข่าศึก ไม่มีค่าศึกอีกเป็นชีตังเมเป็นการชนะค่าศึกท้อไม่มีวิธีปฏิบัติมีเชียภูมิที่ดีมีกำลังพลที่ดี ไม่มีแพ้สุขเห็นเหมือนสุขไม่เป็นผู้สุขค้นจับความสุขนี่คือไม่แพ้ทุกเห็นเหมือนทุกไม่เป็นผู้ทุกค้นจับความทุกนี่คือผู้ไม่แพ้ผู้ชนะอะไรที่มายดีเป็นอย่างนี้เรียกว่าผู้ชนะด้วยกว่าตังเมชนะแล้วอยู่ที่การฝึกหัด เราอยู่ในฐานะแบบไหนชีวิตนี้ทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปปบันนี้เราทำอะไรอยู่อาการกาวาิจาอย่างอื่นที่ทำไม่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ไม่ใช่เพียงเท่านี้เก้าไปเก้าไปมีศีลอันยิ่งมีสมาธิอันยิ่งมีปัญญาอันยิ่ง มีจิตที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันอันยิ่งชํานานเหมือนคนมีตร์มีฉิน่นช่างก่อสร้างเขาก็มีมือห้านิ้วอันเดิมมีสิวมีเลื่อยมีเมดมี กบเหมือนเดิมเขาก็ทำอย่างเดินแต่เขามีฝีมือดีมีปัญญามีกายเป็นเครื่องมือมีสติเป็นช่างช่ยเครื่องมือใช้กายใช้ใจจำนาน ความไม่ดีกลายเป็นความดีก็มีปาณีชกลายเป็นความปาณีชเกิดขึ้นดีกลาที่ใจเรียกว่าศีลขันจะมาที่ขันปัญญาที่ขันความถี่ความปาณีชความละเอียดอ่อนถ้าเราไม่ฝึกมันก็หยาบพลายแสดงออกความหลงไปความหยาบพายควา เป็นความหยาบพลายความทุกข์เป็นความหยาบพลายเป็นความดื้อด้านเป็นความงูเมันหยาบความไม่หลงความไม่ทุกข์ความไม่โกรธเป็นความละเอียดประณีตมันงามงามด้วย <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติ แต่ก่อนเวลาหลงหน้าบูดหน้าเบิง้งเวลาทุกหน้าบูดหน้าเบิง้งทั้งเครียดแสดงออกผู้ที่เห็นความหลงความทุกข์ความโกรธยิ้มยิ้มไม่น่าบูดหน้าเบิง้งยิ้มไม่เห็นของจริงได้เห็นของไม่จริงแล้วก็ยิ่งใจเป็นความ ได้เห็นจริงๆเป็นพุทธะก็ว่าได้พระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าเพราะเหตุทุกข์นทุกข์หรือว่าเห็นอันประเสริฐคือทุกข์เห็นความดอบทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เรียกว่าเห็นอันประเสริฐเห็นการทุกข์กิเลสท่าดูโดยวิชากรรมฐานมีจติจเป็นกาย ส, ออสิ่งที่มันแสดงออกทางกายสิ่งที่เหมือนแสดงออกทางจิตใจและมีสติมีที่ตั้งมีการกระทําไใบสมบัติที่เห็นได้พัฒนาตรงนี้เป็นงานจริงๆ ง, งานวัดเสืดงานชอบการงานชอบรือเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ เปลี่ยนทุกเป็นรู้เปลี่ยนอะไรความไม่ดีเป็นรู้หรือว่าการงานโชบเมื่อเหมือนเปลี่ยนความไม่ดีเป็นความดีขึ้นมาแล้วก็ไปไกลเหมือ น, นกับพรบวงจรเพราะเรื่องของกายของใจนี้มันไม่มีความ ชั่วไม่มีความผิดพลาดม่มีความถูกต้องก็เป็นประโยชน์อัตาโลอัตถิริยาประโยชน์ตโลกญาตตาจิยาประโยชน์ตญาติพุทธะจิริยาประโยชน์ ต, ต, รรรน ต, ตรพ ร, ร, ะตระพุทธศาสนาแล้วก็ไปกลายประโยชน์ตโลกแล้วก็เป็นศัตว์ที่อยู่ร่วมโลกประโยชน์ต่ ญาติแล้วก็มีญาติสายเลือดสายโลหิตญาติมิตรกันยาณมิตรอยู่ตัวโลกก็มากมายโอกาสโลกท่องภาอากาศเป็นดิตแม่นานเกิดขึ้นได้จากการชอบ การมีงานชอบรักความชั่วทํำความดีแสดีว่าอะไรก็ว่าโลกจะแตกวันที่ยี่สิเอ็ดนี้คนก็เชื่อบางคนก็เชื่อพว่าในประเทศโลกในโลกนี้มีประเทศที่เชื่อดังนี้เขาก็มวนมานานคาวนวณมาสองสอ ง, ส, องสามพันปี ไม่เหตุไม่ผลแราก็เชื่อกันเตียมไวรางคนก็เกิดชีวิตให้ได้มีค่าเตียมอะไรเขาว่าจะเกิดกลัวมืดไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟฟ้าไม่มีความิวเตอร์เตียมเทียนเตีย ม, ย ม, ยมไม่ขีดไว แน่นมากโลกจะแตกเราอยู่ตรงนี้เราลู่ตรงนี้มันก็ไม่มีพวามกระทบผดหลายแล้วหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้กับโลคแม่เราจะไปอยู่ใต้น้ำํำเราก็ไม่มีทุกข์เด็ดขาดในอยู่ในกองไฟก็ไม่ทุกข์โกคไปจะแตกกัไเล ถ้าพอกระโดดได้เราก็จะกระโดดลองดูถ้ากระโดดไม่ได้ก็แล้วไปจบไปเหมือนสามีปัญญาคู่หนึ่งเขามาอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมเวลาเขาไม่ส บ, บายเขาโทรไปรหาปัญญาเโาปัญญาเขาก็ตอบมาคุณก็เป็นอย่างนั้นมานาน มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็รักษาอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็รักษาอยู่ยังมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ถ้ามันรักษาไม่หายมันก็จบกันไปจบกันไปหมายถึงว่าตายปัญญาเขามีธรรมะเขามาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนกันแล้วก็พูดถูกต้อง ถ้ามันไม่หายก็จบกันไปอย่าไปกังวลถ้ามันไม่หายมันเป็นอย่างนั้นก็จบกันไปเหมือนอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันจบไปแล้วเห็นแล้วเห็นตัวเราเห็นคนอื่นอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษไม่มีเราไม่ได้ทำอะไร กรรมเราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วไม่ทําอะไรแล้วแต่ก่อนมันมีความสุขมีความทุกมีความพอใจไม่พอใจแบบนี้ไม่มีกรรมแบบ น, นั้นไม่มีอะไรที่ต้องทําอีกแล้วก็ไป่ต้องอยู่กับโลกโลกหมันแตกกว่าเป็นเรื่องของโลกชีวิตจริงๆภาวะที่เป็นธรรมจริงๆไม่อยู่กับคน ไม่เอา อ, อื่นมากำหนดโลกแตกไม่เป็นทุกข์ไม่เกี่ยวกับความทุกข์ในโลกก็ไม่เกี่ยวควสุขไม่มีเพราะเราศึกษาเรื่องชีวิตมันจบเป็นเราจึงไม่ควรประมาณผู้่งนี้ไม่มีสําหรับเราเมื่อวานก็ไม่มีสําหรับเรา มันมีสำหรับเราคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราใช้เดี๋ยวนี้มี้เจติอยู่ฝึกตนสอนตนน้อางตา่เคยไปอยู่กับนักบวชมาหาจานของเวียดนาม แจะมี่ะครั้งทุกทุ5สบห้านาทีนอกจากส่วนตัวส่วนรวมเวละครั้งเหมือนนาฬิกาตีบอกเวลาแล้วครั้งก็ดังเพราะไปเขียงยล้วังก้อยลงดังขึ้นสามครั้ง ทุกคนที่อยู่ในวัดต้องมีสติทำอะไรก็หยุดคิดอะไรก็หยุดทุกข์ก็หยุดโกรธก็หยุดสุขก็หยุดพอใจไม่พอใจต้องหยุดในข่าวนั่นะระกขังบอกให้ละกขังแห่งสติบอกส่วนรวมจิงข้าวอยู่ก็หยุดอาบน้ำอยู่ก็หยุดสานึกเสะก่อน แล้วก็มีสติชช้ชีวิตตามปกติแล้วคั้งแห่งสติทุกทุ5ส้านาทีนี่การเปิดโนรสนตนเราก็มีกรรมฐานทุกๆุกวินาทีรู้ทุกๆุกวินาทีนี่หายใจเข้าก็รู้ทุกหายใจเข้าหาใจออกก็รู้ทุกคังที่หายใจออก รูปสึกตัวจนมีสติจนชํานาญจนเป็นศาสเป็นสิลขึ้นมามันจะไปไหนได้มีสติภายในกายมีจิติภาในจิตใจมันก็มีเท่านี้มีกายมีใจที่เป็นรูปเป็นนามนี่เท่านั้นที่เกิดอะไรขึ้นก็เกิดที่ตรงนี้ที่จะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่ตรงนี้จะศึกษาก็ศึกษาที่ตรงนี้ ถ้าม่ศึกษาก็มาศึกษา ต, ต, งงกงงตรงนี้ถ้าโง่ก็โง่ตรงนี้ถ้าฉลาดก็ฉลาดตรงนี้จะเรียนจบก็จบตรงนี้ถ้าเรียนไม่จบก็ไม่จบตรงนี้หลงจนตายทุกข์จนตายโายกรจนตายศึกษาก็หลงครั้งสุดท้ายทุกข์ครั้งสุดท้ายโกรธครั้งสุดท้ายทั่วะมันลู้กล่องลู้ที่ไปเห็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจ มันก็เป็นเรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องหลายเรื่องหลงหใวใจก็คือที่เป็นฝ่ายกุศลคือความไม่หลงความไม่โกรธความไม่ทุกข์แตเป็นฝ่ายกุศลก็คือความหลงความโกรธความทุกขความโลภเป็นฝ่ายอุศลอุศลมีอยู่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 ให้สูงมากสูงผลที่ทางไปอย่างนี้ทางมัไปอย่างนี้หันหลังให้กันอย่างนี้อันหนึ่งไปทางจำอันหนึ่งไปทางสูงเรียกว่ามนุษย์ต่ไปทางสูงเรียกว่ามนุษย์แต่าทางจำเรียกว่าอมายอมายก็มีอยู่ซีเบสเลือดกายสรรค์เดชฉานทางสูงเป็นมนุษย์ มนุษย์เท่นั้นที่เป็นพระเป็นมากเป็นผลได้คนมันเป็นไม่ได้คนมันปนหลายอย่างปนเข้ากันคนเข้ากันคุ้มรายคุ้มดีแล้วว่าคนมนุษย์ไม่มีคุ้มรายคุ้มดีมาไล่เป็นดีหมดมาไล่เป็นดีหมดแล้วเกิดขึ้นมาเทาไรเป็นงานชอบเปลี่ยนเป็นหมดมนุษย์ ผู้มีจิตใจสูงที่บรรทบถมไม่ได้บาปโอสนทับถงไม่ได้เวลาหายใจอยู่นี่เป็นของเราที่ทำกรรมดีประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาขวนขวยมีจิติมีความเพียรมีการเชใจมีการกระทํามีที่ตังนีจติ มีจิตใจจะทำอะไรจะพูดอะไรที่เราอยู่ร่วมกันก็ยอมให้กันมีจติอย่าทำให้หลงอย่าพูดให้หลงแม่คนหลงก็ช่วยเหลือมาถาช่วยเหลือแครที่ยังไม่กินบมรีก็ อ, อยากช่วยไม่ถูกต้อง ก็อยู่วัดภูโคตทองเวลาเมื่อคืนในเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะตอนเช้าทําวัดขึ้นบางทีเราก็ออกยยคากันลังหายใจก็กินบุหรี่มาก็หายใจไม่ได้ต้องเอาผ้าปิดชโมกปิดปากมันก็เป็นอุปสรรคต่อคนอื่น มันคาร์บอนไม่ใช่ออกซิเจนยิ่งอากาศตอนเช้าอาจาศไม่ถ่ายเทอากาศนิ่งอากาศปริชุธดควนบุหรีมันก็อยู่ได้นานไม่ผ่านไปไง่ายๆบางทีจุบุหรีน้องง้มยิ่งลําบาก แล้วก็มีทุกขมีโทษจริงๆริแม้เราไม่ได้สูบบุหรี่มันก็เป็นควันบุหรี่มือสองเป็นโทษได้ไม่ไดีจริงจริงไม่อยากให้สูบก็ประโยชน์สุขภาพของตัวท่านนั่นเองเรามาได้อะไรจากท่านถ้าท่านหยุดท่านก็มีสุขภาพเงินก็ไม่ต้องเสียสุขภาพไว้ต้องเสีย ถ้าเอาเงินไปซื้อบุหรี่มาสูบเอาเงินไปเผอมผอมยังดีกว่ามันเสียแต่เงินไม่เสียสุขภาพไม่ลบหวงคนอื่นเรื่องนั้นเรื่องอย่างนี้นิดหน่อยก้าวข้าไมไปได้เอาชนะได้มันเป็นนิโคตินอยู่ในเลือด เมื่อเลือดนีิโคตีมันแห้งจากเลือดมันก็แสดงออกทั้งควาอยากสู่ปุหลีเมื่อมันหิวกูจะสูบกูจะสูบเมื่อสูบไปแล้วกูจะเลิกกูจะเลิกเมื่อมันหิวกูจะสูบกูจะสูบเป็นวัตตะวัตตะ เพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเป็นมัตจาเป็นกรรมกิเลสวิบากนี่หละกิเลสกรรมวิบากคือแบบนี้สูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสู่เพราะสูบจึงติดตัดตัดวิตัดวัตฏะซะตัดวัฏะจะห้ามให้อยากก็ได้ห้ามอยากไม่ได้ อยากมันไปผลมาจากสุดท้ายเป็นวิบากวิบากกรรมไม่วิบากวัตต์ตัวที่ตัดคือกรรมคือการกระทำเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูกเพราะไม่สูกก <S ellt. S 1> ็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูกเพราะไม่สูบก็ไม่ติด ตัวไหนเป็นกรรมที่ตัดตั ว, ตวการกระทากรรมที่การกระทําคือสูบนี่เป็นตัวกรรมตัวใหญ่ <c oughs> เป็นตัวใหญ่เป็นกรรมตัวใหญ่สูบเป็นกรรมคิดเป็นกรรมกรรมทางกายกรรมทั้งวาจากรรมทั้งใจมีสติ คิดก็มันมลูกขึ้นมาถ้าเห็นจริงๆนะถ้าเห็นเรื่องนี้จริงๆนะเห็นทุกข์นะเห็นลูกเห็นนามเห็นลูกทุกข์เห็นนามทุกข์นั่นก็ทุกข์อยู่แล้วลูกนี่ต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องไม่เที่ยงทนยากลูกนี่ ต้องยืนต้องนั่งต้องนอนต้องขับต้องถ่ายต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องอาบน้ําต้องห่มผ้าต้องกินอาหารรูกนี้มันทุกข์อยู่แล้วทําไงเอามาใส่มันดีเฉพาะตัวมันเองก็มันก็เต็มที่แล้วได้เห็นอย่างนี้สูบไม่หลง ความชั่วทําไม่ลงเลยสงสารลูกสงสารลูกสงสารนามคิดก็ไม่ได้สงสารนามช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนามเมื่อไม่เห็นทุกข์จริงๆมันสูงไม่ได้มันทําชั่วไม่ได้ทาชั่วไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดจริงๆไม่ต้องมีใครบอกถ้ากรรมฐานจริงๆไ ไม่มีใครบอ ก, กเห็นทุกเงเห็นรูปทรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปมันทําดีเห็นรูปมันทําชั่วเห็นรูปมันทํามผิดเห็นรูปมันทํามถูกมันเห็นอยูจริงทําไมจะปล่อยตัวเองทิ่งไ ด, นนด้เห็นนามมันทํามผิดเห็นนามมันทําดถกทําไมจะปล่อยความจิตใจไปตัวเองทิ่งไปช่วยมันช่วยได้ มันช่วยได้มีสติกำหนดรูป ก, กับมาลูจิตตัวมันช่วยได้การช่วยรูป ก, การช่วยนามให้พ้นจากปัญหาหรือว่าการทำบุญรูปบุญเป็นรูปจริงๆเป็นบุญเป็นบุญจริงๆเพราะไม่ให้รูปเป็นทุกข์ไม่นามเป็นทุกข์เป็นโทษกอบกู้ขึ้นมาเห็นรูปทำให้นามทำมันทำดีทำใหม่ดี ได้ช่วยให้ทาดีมาได้เป็นดีเห็นรูปโลกเป็นนามโลกโลกของรูปมีมากเกิดเจ็บเจ็บตายเจ็บไขยได้ป่วยหิวโลนหนาวไหยเที่ยงโลกของรูปมีมากโลกของนามมีมากโกดโลกหลงเป็นโลกของนามโลกอีกันหนึ่งก็โลกอะไรที่ หลายอย่างโลกปรสาทโลกอะไรเยอะแยะมันต้องช่วยโรคโลกนามโลกโูคทุกนามทุกโรคสมมุตินามสมมุติเหมือนหยัดมีวัตถุอาการรูปนี่นามนี่มีวัตถุมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์ เป็นโลกของรูปโลกของหนามของรูปรูปสมมุติหนามสมมุติเป็นวัตถุเมื่อตาเห็นรูปก็สมมุติปัญญยาดว่าชอบไม่ชอบหูที่เหนเสียงก็สมมุติเป็ญหยาดไม่ชอบไม่เกิดชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจสมมุติปัญญยาดเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นภพเป็นชาติ เมื ítulo icate, ่อม anyway, ีความสมมติก hmm. so mm, so mm, ็ไปดูประธานเกิดข like ึ้นสําคัญมั่นหมายกับสมมติของตนที่บัญญัติขึ้นมาว่าชอบว่าไม่ชอบทำตามความโกรธทำตามความรักทำตามความยิ่งเยียดจี้ก้านหรืออะไรก็ทมตามบัญญัติขึ้นมาว่าเราชอบเราก็ชอบบุรีก็ชอบ ขี้เกียจก็ชอบเล่นการพนั้นก็ชอบทั้งๆ ท, ที่มันเป็นอาบอยนี่มันหยาิขึ้นมาก็อุปทาน ย, ยืดทําตามมีคนห้ามก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันหยาิเป็นอุปทานแล้วยืดไปเมื่อเป็นอุปทานก็เป็นภพเป็นชาติของคนคนนั้นเป็นพวพเป็นชาติไปแล้วทําดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายไปแล้วช่วยไม่ได้มันทีก็เป็นอย่างนั้น กายเป็นตกต่ํำไปให้ทํความดีทําไมได้ให้ทำควาไมไวาชัว่วทําได้ง่ายไหลไปทั้งต่ําเมืม่อเราเห็นอย่างนี้จริงๆเห็นรูปเห็นนามเห็นเห็นเลือพ่วงเห็นอาการาต่างๆวัตถุอาการาต่างๆที่เกิดขึ้นมาโอ้ไม่มีอะไรน่าสงสารเท่ากับรูปตาม ป่อยลูก ป, ปล่อยนามริ้งพอเห็นเรื่องนี้น้ำตาซึมสงสารลูกสงสารนาแตวเธอเหลือร่นที่ช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนาเปิดปัญญาเปิดหย่าดขึ้นมาทำลายอาสวะลดน้อยลงทำลายความเกลีดความรักามบ่วงบ้างจางายทีอหมด ย็มันเห็นเดในสมัดกับความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงสมภพความทุกข์กับความไม่ทุกข์ไม่ต้องมีใครบอกนะปฏิบัติธรรมให้ขวนขวายชั่หน่อยอย่าประมาทอย่าเล่นอย่าเอานื้ออันเดิมไม่หัด น, นืด้อใใหม่ พระแบบพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีประจําจัมรดูพระเจ้ามีเสาสนมกับนันนหนพุะติเจ้าเนสมัยก่อนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นเจ้าพ่อ า, ายมีสอดมีศิลเยอะแยะหลวงพ่อนั้นไม่ใช่พุทธศาสอด มาศึกษารืนีเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายเออนี่นี่มีค่าและชีวิตของเรา้นจากความแก่ความเจ็บความตายจุดหมายแปลทางของชีวิตคุมค่ามีค่าจะกนี้ทุกคนไม่พากันศึกษาปฏิบัติ ฤดูนี่เป็นฤดูแห่งการบรรลุธรรมมากที่จุดสัตว์มีพิษไม่มีไม่ออกจุงก็ไม่ดูไลยอากาศก็ไม่แฉไม่ชื้นแต่หนาวๆก็ดีมีผ้าหม่มแล้วก็จะนอนหนาวมีผ้าหม่มเยอะแยะที่วัดนี้อย่าไปทรมานตัวเอง ไปหลับนด้บอกได้พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ทอดไปทิ้งกันบอกก็ได้ถ้าบอกคนเหนื่นไม่กล้าบอกบอกบอ ก, บอ ก, บอก้องตาเนี่ยที่นี่ก็ลุงตาก็มีมือหลายมือบอกคนนั่นต่อไปอันนั่นให้คนนั่นนี่ให้คนนี้อย็บเพื่ออะไรผ่วยหม่บอกไม่บอกลองตาบอกคนเหนื่อก็ได้อันเดียวกันอันเดียวกัน หัวใจเดียวกันคนเดียวกันต้อจะช่วยกันมาแต่คิดจะจะเอาเปรียบคนอื่นคิดจะช่วยขอให้ได้ช่วยใครมีทุกข์เนี่ยให้ให้เป็นหน้าที่ของเราใครหลงให้เป็นหน้าที่ของเราอากช่วยคนหลงมาให้หลงอยากช่วยคนตีไม่ทุกข์ม่ใหทุกข์เนี่เป็นไน้าีพของพวกเราที่นี่ในหลังเกียรติ ที่เราขี่ยามาก็ไป็นเงเกี่ยจะบอกให้หยุดจะช่วยให้หยุดอ น, น, นี่คือที่นี่สุกโ ต, โตคือไปดีมาดีอยู่ดีมีสุขจ่อขึ้นเป็นอย่างนี้